โดยย่อแล้วก็พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าโทษของสุราชนิดที่ทันตาเห็นในชาติเนี้ยไม่ต้องไปรอกันชาติหน้าแล้วก็มีอยู่หกสถานเลกันนะคืออันที่หนึ่งท่านใช้ชัดๆเลยว่าผานทรัพย์ตัวล้างตัวผานก็เลยนะผาลรัพย์พอเริ่มกินก็เริ่มผานกันแล้วอันที่สองผานไมตรี ไอ้ตอนชวนกันมากินก็นรู้สึกว่าเออหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสดีลนะ้วกินไปกินมาเอาขวดล่อหัวกันซะแล้วอืมแก้วคว่างหัวกันซะแล้วอันที่สามผลันสุขภาพพลันหมดอันที่สีผลันเกียรติยศอายไม่เป็นกันแล้วนะ่ะอันที่สี ผลานเกียติยศอันที่ห้าผลาน ศ, ากศักดิ์ศรีแล้วก็อันที่หกหลานสติปัญญาผลานหมดมีอะไรก็ล้างกับผลานเน็ปหมดแล้วนะ่ะนี่โทษของเราโดยปัจจุบันทันดวนที่เห็นเชียวแต่ว่าถ้าโทษเ อ, อโดยละเอียดโดยเฉพาะยิ่งข้ามพบข้ามชาติไปแล้วก็ฝึกสมาธิมากๆเข้าแล้วเจอเ อ, อปัญหาต่างๆที่ที่คล่องใจพวกเราชาวโลกเนี่ย ปรากฏว่าหลังจากฝึกสมาธิมามากเข้ามากเข้าพบว่าไอ้ข้อข้องใจต่างต่างเหล่านั้นน่ะสาเหตุมันมาจากสุราซะเป็นส่วนใหญ่ยกตัวอย่างเมื่อก่อนนี้สงสัยนักฉเฉลยคนใบเนี่ยมันมาจากไหนไอ้เจ้าใบาเนี่ยแบ๊ะแบ๊บ๊แบเนี่ยพูดก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยเอาบรารพิษเอาบรารเพิษส่งให้เจ้าใบากินเจ้าใบา ผมไหมแบแบแบแบหวานไหมแบแบแบแบไม่รู้เรื่องอะไรทางนั้นหล่ะเออทาไมมันเป็นใบฝึกสมาธิมากเข้ามากเข้าในที่สุดเจอเจ้าพวกนี้พบในอดีตกินเหล้ามามากกินเหล้าจนตายตายในขณะที่เมาเหล้าและคนที่กําลังเมาเหล้าน่ะลิ้นจุกปากแบแบแบแบทางนั้นนะพูดไม่รู้เรื่องแล้ว พอตายมาแล้วไอ้ตกนรกก็ตกไปกลับมาเกิดใหม่อีกทีมันยังติดมาเลยใบยเอา้ามีอยู่คราวหนึง่งเข้าวัดใหม่ๆ ม, มีคนเอ่อแม่เขาพาลูกเข้ามาที่วัดลูกเขาปัญญาอ่อนเห็นแล้วก็นาทุเรศทุรังน้ำลายก็หล ย, ยืดยื ด, ยดเด็กปัญญาอ่อนก็สงสัยอีกแล้วว่าเอ้มันมาจากไหนก็ถามคุณยายอาจารย์ ยายไอ้พวกปัญญาอ่อนนี่มันมาจากอะไรกันล่ะนั่งเข้าที่ไปนั่งไปยายชี้ดูอ้าวก็พวกเอ่อเวนสุราอีกนั่นแหละไอ้กินเหล้ามาม า, มากๆไอ้ชนิดฉายาขวดเหล้าเดินได้อะไรแต่อะไรพวกนั้นอ่ะอ้าวพวกนี้เองกินเหล้ามากเข้ามาเข้ามาเป็นปัญญาอ่อนอืมไอ้บางพวกมาเป็นปัญญาอ่อนไอ้บางพวกมาเป็นใบ ไอ้บางพวกมาเป็นบ้าเอ่ฝึกมากๆเข้าแล้วจะเจอไอ้บางคนพอเกิดขึ้นมาก็ประสาทหลอนถ้อยู่ดีๆได้ยินเสียงคนมาก็ซิปได้พรายก็ซิปมาแล้ว อ, อยู่ดีๆเหมือนไดมีคนมาตามเอเห็นภาพหลอนแปลว่าคนนั้นจะมาฆ่าคนนี้จะมาแกงเอ้ออะไรของมันเนี่ยฝึกสมาธิมากเข้ามาเข้าเจออีกอ้าวนี่เวนสุรานี่ นี่เป็นอย่างนี้ปัญหาต่างๆที่สงสัยมานานพอมาค้นเข้าจริงๆมักจะมีเล่ามาเป็นเหตุแม้ที่สุดเคยนี่อยู่คราวหนึ่งถามคุณยายอาจารย์คือเมื่อตอนแรกๆที่มาวัดเนี่ยมาเริ่มสร้างวัดก็ที่วัดนี่งูมันชุมจัดอาชีพของคนในย่านนี้ หน้าแรงๆแล้วก็เขามีอาชีพจับงูเห่าขายย่านเนี้ยงูชุมก็เวลามาสร้างวัดใหม่ๆก็กลางค่ากลางคืนต้องระวังตัวมากเดี๋ยวงูมจะกัดเอาก็ไปถามคุณยายอาจารย์คุณยายไอ้งูพวกนี้นี่มันมาจากไหนกันนี่ท่านก็หัวเราะฮือๆเออคุณก็เอาใจจดเข้าศูนย์กลางกายสิ กำหนดเข้ากลางท้องกลางด้วยไปจนกว่าจะเห็นองค์พระในตัวล่ะแล้วความสว่างมันชัดมากเข้ามาเข้าเดี๋ยวคุณก็จะเห็นว่ามันมาจากอะไรก็ทำอย่างที่คุณยายสอนนั่นแหละทาไปทาไปอ้าวแม้แต่พวกงูพวกสัตว์เลื้อยคลานจะเป็นตัวตัวตะกัวตัวเฮ้ตัวไอ้พวกสัตว์เลื้อยคลานต่างๆไปๆแล้วในที่สุดก็เจอเอ๊ะไอ้พวกนี้นี่ มันซ้อมคลานมาตั้งแต่มันยังเป็นคน น, ะน่ะแะ่มันคลานดีอ่ะดีอ่ะมาเชียวมันเป็นคนยังไงล่ะขี้เมามันคลานตั้งแต่เป็นคนพอมันตายเข้ามาเออได้คลานสมใจนึกอ้าวมาจากเวียนสุรานี้เองฝึกมากเข้ามากเข้าพอเจออย่างนี้ก็เลยขนต่ออีก ย, ย้ายแล้วงูบางพวกมีพิษงูบางพวกมันมีพิษเันมายังไงกันล่ะ อ๋อค้นอีกเจออีกไอพวกงูไม่มีพิษได้แกไอพวกขี้เมาเมาแล้วคลานแต่ว่าใจดีไม่เอาเรื่องเอาราวใครหลักเมาแล้วก็คลานไม่งั้นก็อนอนร้อ ง, งองเพลงร้องเพลงคลางหญิงหญิงทรงไปเลยส่วนไอพวกงูพิษไอพวกนั้นเมาแล้วยังมีพยาบาทอีกด้วยใครทําอะไรให้เจ็บอกเจ็บใจหนะพยาบาทดูตามล้างตามผาน ตามข้าเขาเชียวเออไอ้พวกนี้ละโลกไปแล้วไอ้พวกนี้งูพิษค่อยๆฝึกไปแล้วก็เจออย่างนี้เพราะสุราเนี่ยมันมีผลในบ้านปลายเนี่ยนะมันมากมายอย่างเนี้ยพอมาถึงเรื่องการปรับปรุงจิตใจเขาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงพอจะปรับปรุงจิตใจเข้ากลับมาว่ากันเรื่องสุราซะอีก ทั้งๆ ท, ที่ในเรื่องของวินัยน่ะในมงคลต้นๆนนว่าด้วยเรื่องวินัยก็ว่าให้เว้นจากสุราไปแล้วงวดนี้กลับมาอีกแล้วมาว่าเรื่องสุราเอาส่งท้ายในเรื่องของการปรับปรุงใจซะอีกแล้วที่นี้สําหรับคนที่ไม่ไม่ดื่มสุราเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ ว่ามีมงคลเยอะแยะเลยอย่างน้อยสามสิบห้าประการด้วยกันคืออันที่หนึ่งอันนี้ทดสอบตัวเองแล้วนะว่าเราเองเนี่ยมงคลของการไม่ดื่มสุราเนี่ยไม่ดื่มน้ำเมาไม่เสพยาเสพติดเนี่ยอันนี้มาทดสอบตัวเองกันละ ว, วะเรานี่อไอชาตินี้ไม่ได้ดื่มละไม่ได้เสพยาเสพติดละแต่ว่าพบในอดีตที่มีเชื้อมีเศษเวรมั่งหรือเปล่าทดสอบตัวเองนะ องค์บอกว่าอย่างนี้มงมงคนจากการไม่ดื่มน้ําเมาอันที่หนึ่งทำให้เป็นผู้รู้จักกิจการทั้งในอดีตปัจจุบันอนาคตได้รวดเร็วพอเห็นอะไรปั๊บล้วก็มันสรุปได้เลยอ๋อไอ้นี่ต้องมาจากไอ้โน่นนะแล้วต่อไปมันจะเป็นอย่งงางโน้นนะมองเห็นทะลุปลุกปลงตั้งแต่ต้นจนปลายเลยทีนี้เราเดี๋ยวนี้เป็นคนยังไงล่ะ ออมองเห็นงานมาอยู่ต่อหน้ายังนึกไม่ออกว่าจะทำไงดีแล้วมันมาจากไหนก็ไม่รู้ชัดอันนี้ยังมีเศษขี้เมาอยู่ติดๆอยู่ไม่มากก็น้อยแต่ถ้าเราเป็นคนมองอะไรทะลุปราดไปเลยรู้กิจการทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตรวดเร็วแล้วก็ถ้าอย่างนั้นเออพอจะเบาใจได้ว่ะเฮ้เวสุราเราไม่มีนะนอกจากเราเป็นคนดีชาตินี้ชาติที่แล้วก็ดีเหมือนกันนะอันที่สองมีสติอยู่ทุกเมื่อ มงคลจากการไม่ดื่มสุราข้ามพบข้ามชาติมานะมีสติอยู่ทุกเมื่อก็ถามตัวเองชอบนั่งใจลอยหรือเปล่าใจลอยอยู่บ่อยๆแล้วก็ชาติแลขี้มเมาเก่าเหมือนกันขี้มเมาเก่าเหมือนกันอันที่สามไม่เป็นบ้าถ้าบ้าคงไม่ได้มานั่งกันอยู่วันนี้แล้วนะไม่เป็นบ้าก็ เ, าเป็นอนิสงส์ของเราอันที่สี่ถ้าไม่เป็นคนมีความรู้มาก จะร่ําเรียนเขียนอ่านอะไรแล้วพอ ร, รู้สึกจะได้ออร่ําเรียนเขียนอ่านได้มากกว่าเขาอันที่ห้าเป็นคนไม่วันไหวนคนบางคนพอคนโน้นเขาพูดหน่อยคนนี้เขาแย่อีกหน่อยหนึ่งเอใจมันวันไหวง่ายเขาพูดน้องจะ๊ะน้องจ๋าไม่กี่คําทิ้งพ่อทิ้งแม่ตามเข้าไปฉีบนั่นแน่วันไหวง่ายเขาว่าไม่กี่คำหรอกไปผูกคอตายฉีบ เออวันไหวง่ายถ้าเป็น่ยนใครมีอาการอย่างนี้เมื่อไหรเขาว่าสักหน่อยห้ยร้องไห้ต่อเจ็ดวันเจ็ดคืนเขาชมเอาสักหน่อยมายิ้มในกระจกอยู่ที่บ้านเออวันไหวง่ายก็แสดงว่ามีเวสีสนราติกมันเหมือนกันอันที่หกไม่งงไม่งงใครรู้สึกวันวันมันงงงงกองกอ ง, ง, ง, ง, งอยู่เรื่อยเวสีสนราน์อย่างตามมาั นี่ลูกเรามันเป็นยังไงนะมันซึมซึมไปมันไม่ปราดเปลี่ยวเหมือนอย่างกับอลูกคนอื่นครัเออได้ลูกขี่เมาข้ามพบข้ามชาติมาสอันที่เจ็ดไม่ใบไม่ใบรวมกระทั่งไปติดอางด้วยไอติดอ่างละตะตะตะตะตัต่อแล้วก็อย่างไอ น, นี่ก็ไม่ถึงกับใบแค่ติดอ่างนี่ก็เป็นเวียนสุราเหมือนกันมีเรื่องเล่าว่าให้ไอเจ้าติดอ่างนั่งอยู่บน นั่งอยู่หัวเรืออ่ะไอ้คนก็พายถือท้ายพายมาพายไปพายไปกลางคืนเนี่ยไอ้หัวเรือที่ติดอ่างนั่นมันก็ถือตะเกียงสองทางไปเรื่อยๆพายไปพายไ ป, ไปเจอต่อขวางหน้ามันก็หันมาบอกไอ้เจ้าคนถือท้ายตะตะตะตะตามันจะพูดว่าต่อ น, นั่นแหละนะตะตาตะโครมละตอออกมาได้เรือพังตกน้ํากัน ทำไมมันติดอ่างเออเวนสุราอ่ อ, อแล้วเรื่องนี้นิดหนึ่งด้วยถ้าใครเป็นนะฝากไว้เลยสำหรับคนที่ติดอ่างแล้วก็อันนี้เคยช่วยแก้มาหลายรายสำหรับคนที่ติดอ่างนะใครมีลูกมีหลานมีพักพวกเพื่อนฝูงติดอ่างแล้วก็มีวิธีแก้ง่ายๆอยู่อันหนึง่งคือ ให้สวดมนต์เนี่ยเป็นประจำแล้วก็สวดวันหนึ่งหลายๆจบเชียวสวดกันเป็นชั่วโมงเอ๊สวดมนต์นี่มันแก้ได้นลได้มันเป็นอย่างนี้ตามธรรมดาเสียงในภาษาไทยเสียงพูดในภาษาไทยเนี่ยนะมันมักเป็นเสียงมีเสียงแท้ก็มีเสียงแปรก็มีเสียงกล่ำก็มียกตัวอย่างเสียงแท้เช่นเสียงอูเสียงอาเสียงโอนี่เสียงแท้ ไอ้เสียงกลํา เ, เช่นอะไรเอียัวเ อ, อื อ, ออะไรทํานองนี้ไอ้เสียงพวกนี้เนี่ยมันออกมาจากคอเท่านั้นแหละส่วนพวกเสียงแท้นะพวกเสียงแท้เนี่ยมันออกมาจากศูนย์กลางกายไอ้พวกเสียงแปรเสียงแปรเอียเอือัว อ, อ, อย่างที่ว่ามาหรือพวกเสียงกลําเช่นมีเสียงตัวนรอเรือเนี่ย ลอลิงมาม า, มากล่อมมาควบอะไรพวกเนี้ยพวกเสียงพวกนี้แล้วก็พอเราพูดไปแล้วมันออกแค่คอเท่านั้นทีนี้พวกเสียงส Å วดมนเสียงส Å วดมนออกจากศูนย์กลางกายส Å วดไปส Å วดไปแล้วก็พอมันเสียงออกจากศูนย์กลางกายแล้วมันโลง่งมันเป็นสมาธิอยู่ในตัวแล้วมันจะทําให้ไม่ติดอ่างหลังจากส Å วดมนมากเข้ามากเข้ามากเข้าที่ใครเคยติดอ่างแล้วมันจะหายไป ก็ใครมีลูกมีหลานมีเหลนมีหลนติดอ่างก็ไปหรือแม้กระทั่งตัวเองก็ตามไปสวดมนต์เยอะๆแล้วก็สวดดังๆอย่าสวดในใจสวดมากเข้ามากเข้าเสียงมันจะออกจากศูนย์กลางกายอย่าเสียงอูเสียงอาเสียงโอมันออกจากศูนย์กลางกายแล้วมันจะหายติดอ่างนะแสดงว่ามันมีแค่เศษพวกพวกติดอ่างก็ก็เศษเวีนสุรานั่นแหละ มันเบากค่พวกเป็นบ้าหน่อยนะอันที่เก้ามงคลของการไม่ดื่มน้ําเบาเนี่ยอันที่เก้าไปทําให้เป็นผู้ไม่ประมาทอันที่สิบทาให้ไม่เป็นคนหลงไหลบางคนหลงง่ายหลงง่ายเดี๋ยวก็ไปหลงรักเขาเ อ, อพอไม่ชอบอะไรไม่ทันพิจารณาอะไรก็ไปหลงเกลียดเขาเออหลงรักเขาก็ง่ายหลงเกลียดเขาก็ง่ายออมันหลงไหลง่าย อันที่สิบเอ็ดวาดผวาบางคนเป็นคนวาดผวาใครเข้าใกล้เอ๊ะอันนี้มันจะทำร้ายเรามัง้งแต่ว่าถ้าเราไม่มีเวรสุรามาก่อนไม่วาดผวานะอันที่สิบสองไม่มีความลาคาญบางคนอยู่ที่ไหนใครเข้าใกล้เนี่ยนั่งอยู่บนสาราหรืคนเยอะๆหน่อยไม่ลาคาญ มันต้องไปห่างๆผู้ห่างๆคนใชเออไอนี่ก็เชื้อสุราเหมือนกันแอย่างเรานี่ไม่มีเวรสุราเอานั่งอยู่บนสระก่อนนั่งเราจะจะเอาไงเอา อ, อันที่สิบสามไม่มีใครริษยาบางคนไปถึงไหนถึงไหนเอมีแต่คนเขาอิจฉาริษยานั่นแหละไม่รู้เป็นยังไงรู้สินั่นเราเวรสุราของเจ้า แต่เราในอยู่ที่ไหนที่ไหนไม่มีใครลิษยาเออเราเข้าท่าแล้วไม่มีเวรุราติดตัวมอันที่สิบสี่เป็นคนมีความขวนขวายน้อยถ้าพูดอีกคำหนึ่งจะเข้าใจง่ายไม่เป็นนักสร้างวิมานในอากาศไอ้บางคนอุย้ยอ่ะนั่งรถไปเห็นเห็นใครทำอะไรดูมันจะรวยไปหมดเออ ขายกล้วทอดกล้วยทอดก็รวยได้นะเศรษฐีเงินล้านได้เหมือนกันพอไปเจอเขาไถานาเอ๊ะทํานากับเงินล้านเหมือนกันนะเออไปเห็นเขากวาดถนนกวาดถนนก็ทไหนฝีมืออย่งางเราเนี่ยเงินล้านทําได้นะ่ะล้วมันก่อสร้างวิมานในอากาศสร้างโครงการเข้ามันไปเรื่อยๆไปได้เหมือนกันไอพวกนี้พวกขี้เมาเก่ามันฝันเฟื่องมาเคยนะไม่ไม่ไม่ขี้เมาเพราะเราก็ สูบกัญชายาฟินมาเยอะมันก็สูบไปมันก็ฝันเฟื่องของมันไปนั่นแหละมันเป็นของมันอย่างนั้นแล้วก็อันที่สิบห้าพระพุทธเจ้าบอกมีแต่ความสุขอันที่สิบหกมีแต่คนนับถือยำเกรงคนบางคนนะ่ะไปถึงไหนถึงไหนถึงไหนไม่มีคนเกรงใจ ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นอเวนสุราเก่าของมันมาทาให้เวนสุราเก่าข้ามพบข้ามชาติมันทำให้มันเป็นคนไม่มีสัมมาคารวะไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเวนอันนั้นติดตัวมามาชาตินี้ไม่มีคนยำเกรงแต่ใครไปถึงไหนถึงนั้นยังไม่ได้ทันทำอะไรเลยมันเกรงใจกันแล้ว เ, ออเราไม่มีเวนสุราอันที่สิบเจ็ด พูดแต่คำํำสัตว์บางคนน่ะไม่อยากโกหกใครนะ่ะใจน่ะไม่อยากโกหกใครแต่เวลาพูดปากก็ไปทั้งอย่างนี่เอา้าทําไมมันเป็นอย่างนั้นเคยมีพระรูปหนึ่งเป็นเพื่อนสนิทกับอาตมาเนี่ยร่ําเรียนเขียนอ่านมาด้วยกันมีวันหนึ่งท่านก็มาปรารถด้วยท่านมาบอกว่าอย่างนี้นะบอกผมเป็นยังไงก็ไม่รู้ใจนะ่ะนึกอย่างหนึ่ง ตั้งใจจะพูดว่าอย่างนี้เลยนะแต่ปากมันโ p ่งไปซะอีกอย่างนึงแล้วพอมันโพ r ่งไปแล้วเนี่ยไอจะไปขอโทษมันโพ r ่งไป อ, อย่างก็กลายเป็นโกหกไปไอคลั้นจะไปขอโทษเขามันก็เออเราก็อายุมากแล้วไปตามขอโทษใครมันก็เสียเลี่ยมเพราะงั้นก็เลยบลาบทรงเข้าไปเลยอีกเนี่ยผมเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้มันอะไรรู้อะไรนะ เ, เวรสุรา ถ้าใครเป็นอย่างนี้ก็ให้รู้ตัวใช่ไเอ๊ะเรานึกจะพูดอย่างนึงแต่ปากมันโ p r ่งไปอีกอย่างนี่นแหละเวีนสุราเหมือนกันถ้าใครไม่เป็นงนี้เออโชคดีละเราไม่มีเวีนอันนี้นะอันที่สิบแปดไม่พูดส่อเสียดพูดส่อเสียดคือเอาความข้างโน้นมาบอกข้างนี้ความข้างนี้ไปบอกข้างโน้นให้เขาทะเลาะกันคนไม่มีเวีนสุรามมาก่อนแล้วก็ไอันนี้ใสอันนี้ไม่มี อันที่สิบเก้าไม่พูดคำหยาบดาคลก็ไม่เอาอันที่ยี่สิบคนไม่กินสุราไม่มีเวณสุราไม่พูดเพ้อเจ้อทำไมบางคนการศึกษาก็ดีนะรูปร่างหน้าตาก็ดีดพอจับปลุ่มเขานั้นนะพูดจ่อยๆยจอยจอยจอยจอยไม่เป็นเรื่องเป็นราวน้าท่วมทุ่มน้ำท่วมทุ่งพักบุงหลงเหลงทำไมเป็นงนี้เออน่ละเวีนสุรา เราเป็นอย่างนั้นกันบ้างไหมถ้าไม่เป็นเออเราไม่มีเวนนะอันที่ยี่สิบเอ็ดไม่เกียรตคร้านบางค น, น, นขี้เกียรติตัวเป็นขนชนะโบราณท่านว่ามันเป็นโรคบิด ต, ติดเสื่องานการเบื่อข้าวกินได้แล้วทำไมล่ะเว้นสุราข้ามพบข้ามชาติมาเชา้าแม่เรียกนั่นตี๋5ห้าลูกเอ้ยครับ แล้วแม่ก็ไปทําอะไรแต่อะไรซะหุงข้าวจนสุกแล้วเอ๊ะไม่เห็นมาลงมาช่วยลูกเอ้ยครับ <c oughs> เสียงอ่แอแอออแงง่วงเงียง้ยอ้าวมันยังไม่ตื่นมาเลยไอ้อย่างนี้โบราณเขาทํายังไงอาตมาสงสัยเดิมคงจะมีเศษเวียรพวกนี้มามั่ง <c oughs> <c oughs> เป็นไงเช้าเช้าน่าหนาวลูกเอ้ยครับแล้วก็เงียบ <c oughs> อีกเ้ฟากลูกเอ้ยครับเงียบคุณพ่อท่านเลยว่าอะไรล่ะทีนี้ท่านทำง่ายง่ายท่านตักน้ำมาขันสาขเข้าไปในม้งโอ้ลุกขึ้นได้สบายเลย <c oughs> เออมันก็เป็นอย่างนี้แหละเอออันที่ยี่สิบสองมีกระตันอยู่มงคลจากการเออไม่ดื่มน้ำเมา่ะนะอันที่ยี่สิบสองข้อที่ยี่สิบสองมีกระตันอยู่ขึ้นรู้คุณคน ยีสิบสามมีกระตะเวทีและแทนคุณคนเนี่บางคนรู้คุณแต่มันยังมีเวณสุราอยู่เพราะฉะนั้นจะไปแทนคุณเขามาก็ยังเสียดายนละมันจะเก็บไปเป็นค่าเล่ามันรู้แร้วกวทันดีกับเราโห้ยถ้าคุณล้นฟ้าเลยงั้นไปแทนคุณท่านเถอะอย่าเพิ่งเดี๋ยวมันมีค่าเล่าแต่ว่าถ้ามันไม่มีเวณสุรารู้คุณแล้วมันรีบไปแทนคุณน่ คือมีกระตอันที่ยิ่สามมีกระตะเวทีอันที่ยี่สิบสี่ 24, ไม่ตรณีอย่าไปเชื่อนะว่าคนกินเหล้าแล้วใจกว้างไม่ใช่ใจกว้างไอ้นั่นมันให้พระเอออบางคนน่ะควักไม่อ้นเลยนั่นไม่ใช่ใจกว้างนั่นทำเพราะลิศหลงหรือลิศบ้าลองมันหายเมาสิไปขอมันมันไม่ให้ตั้งแต่อยู่มหาวิทยาลัยมาทำงานมาก็เจอแบบเดียวกันเลย ไอ้พวกขี้เล่านี่ไอ้พวกนักการทพนันนี่ถึงคราวจะต้องบริจาคอะไรเพื่อสาธารณกุศลเพื่อส่วนรวมไอ้พวกนี้ไม่ค่อยยอมควักหรอกค่าเล่าเท่าไหร่มันเสียได้แต่ว่าพอของที่เป็นส่วนกลางของต้องการความมีน้าําใจไอ้พวกนี้ควักไม่ออกหรอกมันเสียดายจะเป็นค่าเล่าค่าบุรีค่าการทพนันของมันเมื่อคนที่มีเอไปเจอใครนี่แหมไอ้คนนี้นะ มันตรณีขี้เหนียวจริงๆให้รู้ไว้เถอะไอ้นังกเวณนสุราข้ามพพค้ามชาตินะอันที่ยี่สิบห้าไม่รู้จักเฉลีย่ยแบ่งปันพูดง่ายไม่ทำทานก็คล้ายๆกับตรณีนั่นแหละ น, นแต่ว่ามันมันมันย่อนกว่าน่อยนะอันที่ยี่สิบหกทำให้มีศีลบริสุทธิ์อันที่ยี่สิบเจ็ดทำให้เป็นคนซื่อตรง ทำไมบางคนใน่คดในข้องอกระดูกเออเวีนสุรามันเหมือนกันแต่เรานี่ไม่มีคดในข้องอกระดูกเพราะฉะนั้นเออเราไม่มีเวนสุราเป็นคนซื่อคนตรงยี่สิบแปดไม่มักโกรธก็เท่ากับบอกว่าใครเป็นคนมักโกรธนั่นก็เพราะมีเวนสุราข้ามพบข้ามชาติมัเหมือนกันยี่สิบเก้ามีฮิริแปลว่าอายบาปอายลึกเกินความบาปนี้ไม่ทรา มีความอายบาปสามสิบอดตปะกลัวกลัวผลของบาปอายบาปด้วยกลัวบาปด้วยเพราะฉะนั้นใครอายไม่เป็นกลัวบาปไม่เป็นหน้ามันทนเป็นพิเศษทำในแอสฟัลหรือไงก็ไม่รู้หละก็ฟ้ อ, ฟองไอ้นี่ก็เวรสุร่ายกแหละสามสิบเอ็ดมีความเห็นถูกบางคนมันไปเห็นอะไรเนี่ย มันตัดสินไปสัอย่างจริงๆมันควรจะเป็นอย่างนี้มันกลับไปเห็นสัอย่างเพราะอะไรเพราะเวนสุราของมันข้ามภพข้ามชาติยกตัวอย่างเมชาติที่แล้วใครเอาเหล้ามาตั้งปุ๊บมันมีความเห็นผิดว่าเหล้านี่แหละคือของเชื่อมความเสัมพันธ์ทําไมตรีมันเห็นผิดผิดมาอย่างงี้เคยมาชาตินี้มันก็เหมือนกันเห็นคนที่แต่งตัวเรียบร้อยบอกว่าอย่างนี้ไม่ดีอะมันไม่เป็นธรรมชาติ มันต้องปล่อยให้รุงรุงรังรังยุคฮิปปี้ครองเมืองนั้นนั้นไอ้พวกนี้มาจากไหนไอ้พวกนี้ก็เวงสุรอาเก่าอีกเมืออกันมันต้องปล่อยให้มันรุงรุงรังรงมันจึงจะเป็นธรรมชาติเห็นอะไรเรียบร้อยว่าไม่ดีความเห็นมันผิดมันกลับตำลัปัดไปไอ้พวกนี้บางทีเขาก็เรียกว่าพวกไม่รู้แต่ว่าชี้ที่คนมันเป็นอย่างนี้น่ะบางคนเนี่ยมันไม่รู้แล้วมันก็เลยไม่ชี้ เขาถามว่าเออจะไปกรุงเทพไปทางไหนไม่รู้สิเพราะมันไม่รู้เลยมันไม่ชี้ไม่รู้แล้วมันก็ไม่ชี้ให้แต่บางคนมันไม่อย่างนั้นนะไปกรุงเทพไปทางไหนความจริงมันไม่รู้หรอกแต่มันชอบชี้ชี้บู้ยส่งไปเลยไอ้พวกนี้ไม่รู้แต่ว่าชี้นะไอ้พวกมีความเห็นผิดนี่แหละไม่รู้หรอกนะแต่ชี้ส่งชี้โบชีบช้เบไปงัน้นแหละ ถ้าเราไม่ใช่คนอย่างนั้นก็แสดงว่าเออเรานี่ไม่มีเวรสุราอันที่สามสิบสองมีปัญญามากเล่าเรียนเขียนอ่านก็ทันเพื่อนดีไม่ดีแสงเพื่อนซะอีกแนะ่ทําไมละ่ะเพราะไม่มีเวรสุราอันที่สิบสามสิบสามได้อริยทรัพย์นะได้อริยทรัพย์คือได้ธรรมะโดยง่ายอันที่สามสิบสี่ แล้วก็ได้สมบัติโดยง่ายนะได้สมบัติทางโลกเนี่ยได้โดยง่ายเลยอันที่สามสิบห้าคือบางคนเนี่ยนะทำมาหากินอะไรดูมันฟืดมันเคืองหยิบอะไรไม่มีไม่เคยมีมีโชคกัข้าสักทีไอ้คาว่าเฮงเนี่ยไม่รู้จักเลยหยิบทีไรมีแต่คำว่าเจ๊งทุกทีเลยเออชัดละนะจะได้อะไรต้องใช้อะไรละ่ะ ต้องต้องใช้ความสามารถเต็มที่เนละแหมจะไอ้เรื่องราบร้อยมาหาไม่ต้องคิดกันนะอย่างมากได้แค่เก่งไม่เคยเฮงเลยนะเก่งกัเฮงเอเฮงไม่รู้จักต้องอาศัยเหงื่อท่วมตัวอาศัยความเก่งแล้วจึงจะได้มาถามว่าทําไมเออมันมีเวีสุราติดตัวอันที่สามสิบห้าได้ที่พึ่งอันประเสริฐ คนเราเนี่ยนะเออถ้าไปถึงไหนถึงไหนมีคนเขาพร้อมที่จะให้ความอุปการะช่วยเหลือดูแลฟ้องเลยเพราะคนคนนี้ไม่มีเวรสุรามาก่อนถ้าใครขี้เหล้าเมายามาก่อนมีเวรสุรามาก่อนไม่มีใครเขาอยากให้อุปการะแล้วอันสุดท้ายสามสิบหกบรรลุมรรคผลนิพพานได้ง่ายที่นี้ นี่เป็นมงคลสามสิบหกประการของของการที่ไม่กินเหล้าเมา ย, ยาไม่เสพยาเสพติดทีนี้ในมงคลอันนี้เนี่ยรายละเอียดมีไม่มากหรอกเป็นเรื่องของการเอามาย้ำเตือนกันอีกทีทั้งนั้นเองก็ลองฟังนิทานประกอบสักสองเรื่องเรื่องแรกท่านเรียกว่าเรื่องเออพระราชาขี้เมา ในสมัยโบราณมีกษัตริย์อยู่องค์หนึ่งเป็นคนชนิดที่ว่าทุกมือนี่ขาดอาหารจำพวกเนื้อนี่ขาดแม่ ต, มต้องมีเนื้อต้องมีเนื้อกินทำไมล่ะเพราะจะเอามาแกล้มสุราเรื่องของเรื่องมาอยู่ตรงนี้ขาดเนื้อไม่ได้ขาดเนื้อวันไหนแล้วเหมือนอยากจะตายใช่เพราะว่ามันขาดกลับแกล้ม อยู่มาวันหนึ่งวันนั้นเป็นวันพระตามธรรมดาตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วพอวันโกนเนี่ยเอาละ่ะไอาการที่คนใดคนหนึ่งเนี่ยจะมีอาชีพฆ่าสัตว์เนี่ยห้ามกันไม่ได้เขาไม่ว่าแต่เขาขอกันไว้เลยแล้วก็เป็นธรรมเนียมมาแต่โบราณใช่ไหมวันพระนี่ห้ามฆ่าสัตว์ นี่ถ้าใครจะกินเนื้อก็ต้องหาซื้อไว้ตั้งแต่วันโกนนั่นแหะตั้งแต่ก่อนวันพระวันถ้าวันพระแล้วเขาไม่ฆ่ากขาหรอกถ้าไม่มีก็อดกันที่นี้พ่อครัวเตรียมเนื้อเอาไว้แล้วไว้สําหรับวันพระเอาไว้ให้กษัตริย์พอดีเผลอไปสุ น, นัขมันเอาเนื้อไปกินฉิบข้าบเอาไปกินถ้าฉิบเลยไม่มีกับข้าวไม่มีกับแกลม พอถึงมือ้อพอใกล้จะถึงมืออาหารเขาก็กลัวจะโดนลงโทษเดี๋ยวกริย์ตัดหัวเอาง่ายๆก็แก่ขี้มาเอาขาดกราบแกแล้มเดีย๋ยวยาเล่นงานนะก็ไปบอกมาเหสีมาเหสีก็ช่วยคิดงั้นเอางี้สิก็รักพ่อครัวนี่แหละเอางี้พอถึงก่อนเวลาอาหารหน่อยแล้วก็ไปพาพระราชโอรสลูกชายนะเอาไปไปหาพ่อ เพราะว่าตามธรรมดาแล้วเราก็รักลูกชายมากเลยลูกชายจะเอาอยัางไงก็ ก, กตามใจเห็นหน้าลูกชายแล้วอารมณ์ดีก็พ่อครัวก็เชื่อเอาพระราชโอรสให้ไปเอาไปกราบกระสับกรอนให้อารมณ์ดีไปเล่นอยู่กระสับพอถึงเวลาเขาก็เอาอาหารไปให้แต่ไม่มีเนื้อสัตว์ไปด้วยเลยความที่เล่นกับโอรสก็เล่นอยู่หรอก จะในเวลาเดียวกันก็กินเหล้าไปด้วยพอถึงเวลาเขาไม่มีอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์มาโกรธโกรธไม่มีกลับแกล้มเหล้าตะวาดถามมาทำไมไม่เอาเนื้อมาก็บอกวันนี้ไม่มีเนื้อจริงๆวันพระอธิเตรียมไว้หมามาลักกินไปไอความที่เมาสุราประกอบกับเป็นโรคติด ก, กับแกล้มอย่างอย่างสาหัสสากัน ตาลายขึ้นมาเลยหักคอลูกชายนะ่ะหักคอโอรสนั่นแหละแล้วก็โยนพรากไปอ้าวเอาเนื้อนี่ไปก็ได้วะเอาไปทํากลับแกล้มมาพ่อครัวก็ไม่รู้จะทำไงานก็เอาลูกชายเอาโอรสนั่นแหละไปทํากับแกล้มเอามาให้พอเช้าสางเมาเขากษัตระสัดสางเมาเขาเรียกหาลูกชายจะเล่นกับลูกชายจะมีที่ไหนนะ่ะเอาเนื้อไปแกล้มเหล้าซะแล้ว ก็เสียใจแล้วก็ได้คิดจุดทูบจุดทีนกันเชียวอธิษฐานว่าชาตินี้นับแต่วันนี้เป็นต้นไปจนทั้งวันบรรลุมรคนิพพานจะไม่ขอกินเหล้าอีกต่อไปแล้วตั้งแต่นั้นก็เลิกเหล้าเด็ดขาดนะอือันนี้ก็เป็นเรื่องของคนที่เห็นพิษภัยของเหล้าแล้วก็เลิกเสียไปประสบโทษเขาก็เลยเลิกเสียแล้วสําหรับเรื่องนี้มีเรื่องส่วนตัวอยู่หน่อยนึง